สามสิบสามที่สถานีรถไฟ post รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ รนะญญล บ, บรลรถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะกรดายกรีนะัญญรรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะกดายกรีนะญญล รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ ö p p e t t i i u ri so r i Grivlak Varsa. รถไฟไปสตอกโฮล์มออกกี่โมงคะ ö p p e t t i i u ri ok r Grivlak Stockholm. รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ Öppettid i u r ri Grivlak b u d a p e t ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ r a d b i v o z o u n i c o do Madrid. r a d a b i v o z o u n i t s a Madrid. ด, ด, ด, ด, ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ r a d b i v o z o u n i c o do Prague. r a d b i v o z o u n i c o do p r a g e ดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์หนึ่งที่ค่ะรัด บ, บีโวอซาอุนิโซโดเบอร์นารถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะรถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะ กดารลาดิสรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะกดายพริสเปอร์ลวอมเตดมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟถมมไหมคะอลิโรัตูปิรถไฟออกที่ชาญชาลาไหนคะสคเทรกาทีรา อตเพลย์วลาครถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะอาิเอวทิมวลาคุสปลนิกดิฉันต้องการตัวไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะรัดบีซโมเอโสเมิร์โนวโซนิซโดดิฉันต้องการตัวกลับโคเปนเฮเกนค่ะ ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไรคะคุลิคอสตา e เอนอมิสโตสปาลนิคู